นักบวชชายคนใดคนหนึ่งผู้อยู่ในลทัททิปริพาชกยกเว้นภิกษุและสมะเนินที่ชื่อว่าปริพาชิกาได้แก่นักบวชหญิงคนใดคนหนึ่งผู้อยู่ในรัตทิปริพาชิกายกเว้นภิกษุณีศิกขามานาและสมะเนรีที่ชื่อว่าสมณะนะจีวรพระผู้มีพระภาคตรัสหมายถึงผ้าที่ทำกับปะแล้วภิกษุณีให้ผ้านั้นต้องอบัติปารจิตี